เห็นด้วยโซดาปฏิมักเนาะจึงจะละอาสวะหทิละได้ด้วยการเห็นคือถ้าเห็นอริยศาสตร์แล้วก็จะละสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาและก็สีลพัตะปรามาสได้ที น, นี้ต่อไปก็อาสวะทิละได้ด้วยด้วยอะไรนะด้วยการสังวร อ, อาสวะทิละได้ด้วยการสังวร น, นั้นสําเร็จด้วยสติเห็นไหม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 นี่ก็เลยมาหาทางอาสวะที่ละได้ด้วยการใช้สอยขออนุญาตถอยกลับเมื่อวานเมื่อวานพูดตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อพบถวัลอาสวะที่เล่าด้วยการสังวรใช่ไหมอ๋อพูดผ่านไปแล้วใช่ไหมพูดเมื่อวานไปแล้วอ๋อฮะอืมตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอินทรีย์สังวรนั่นเองอ่าเจนทอนเป็นเรื่องของสติ เป็นเรื่องของสติสังวรสติสังว ร, ส ต, ส, งวรสติเป็นเครื่องสังวรซึ่งได้กล่าวว่าถ้าหากว่าไม่มีการสังวรเนี่ยะความทุศีลก็จะเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีการสังวรในทวารทั้งหกหนึ่งนะทำให้เกิดการทุศีนสองก็จะทำให้เกิดการหลงลืมสติแล้วก็เกิดความไม่อดทน แล้วก็ความเกียรครานถือตรงกันข้ามกับสังวรห้านะสังวรห้ามีหนึ่งนะหนึ่งศีลใช่ไหมสองสติสังวรสามยานาสังวรสี่คันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอินทรีสังวรไม่เกิดในทวารทั้งหเนี่ยนะจะทำให้เกิดการทุศีลเนะเกิดการทุศีลแต่ว่า ทุศีนเนี่ยจะเกิดได้ในมโนทวารอย่างเดียวไม่ได้เกิดทางวิถีจิตทางปัญจทวาร น, นะชาวนะจิตทางตาหูจมูกเลี้ยกายใจขณะนั้นไม่ทุศีลแต่เชื่อว่าอาสังวรเนีย่ยนะเพราะในขณะนั้นไม่มีสติสังวรไม่มีญาณสังวรไม่มีวิริยะสังวรและไม่มีขันติสังวองรงงอ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 เป็นทั้งคนหลงลืมสติสรุปนะเป็นคนหลงลืมสติหนึ่งเป็นคนลุ่มหลงเป็นคนเขลา ว, ว่างั้นเถอะเพราะไม่มีญาณะสังวรไม่มีขันติสังวรเรียกว่าคนไม่อดทนและไม่มีวิริยะสังวรชื่อว่าเป็นคนเกียดครานด้วยแต่ถ้าหากว่าชาวนาทางมโนทวารวิถีเนี่ยนะซึ่งผานทวังมาแล้วเนี่ยไอ้ชวนาอันนั้นเนี่ยได้ทั้งห้าอย่างเลยนะถ้าเป็นอากุศลเนี่ยสามารถให้ทุศีนได้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 สีระสังวรเป็นอย่างไรเกี่ยวกับหนึ่งอารมณ์อันเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะยกความสําคัญว่ายกตัวอย่างว่าพระเนี่ยถ้าจะจับของของผู้อื่นเนี่ยท่านให้มนสิการว่าเหมือนจับอสราพิษอ่ะเหมือนจะจับอสราพิษเนี่ยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยจิตจิตเหมือนลิงนะบางทีรักทีมั้งแล้วก็เอจิตคิดจะรักแล้วถ้าหากว่ามันเคยื่อนพ้นจากฐานเนี่ยนะปราชิกแล้วนะถ้าหากว่าวัตถุมันได้นะ เพราะฉะนั้นเวลาจะจับของคนอื่นเนี่ย ท, ท่านให้สังวรเลยเหมือนกับจะจับอสสารพิษอย่างนั้นน่ยท่านให้ให้สำเนีกยกใส่ใจแบบนั้นเลยนะจะได้ไม่วิปฏิสารทีหลังไม่งั้นถ้าหากว่าไปหยิบไปเวยไปทําอะไรโดยที่หลงลืมสติถ้าแล้ววังว่างเนี่ยนะคนที่ตรึกธรรมะเนี่ยหรือพิจารณาธรรมะอยู่บ่อยๆนะเหตุการณ์เก่าๆมันจะมาทั้งหมดเลยไปทําอะไรไว้ยิ่งวันไหนเผลอมากวันนั้ น, นจะมาบ่อย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 เ, เรีสังวรีหวิว น, วหนัยจนพอ น, นี่ปะหานวินัยยังไงครับปะหานวินัยก็ปะหานะห้าแต่ทางค้าปะหานวิเคราะพะนปะหานคือคือเข้าใจแต่เข้าใจแต่พยัญชนะครับเจนพานหมายความว่าถ้าสังวรห้านี่พอเข้าใจนะฮะคือถ้าศีลก็เอาศีลมาจับจถ้าสติก็สติมากัน้น <c oughs> เอาญาณะมาปิดวิริยะก็เพียนที่จะ เลิกละอะไรทำนอง น, ะ น, ะอนั้นนะฮะคันติก็อดทนความร้อนความหนาวความอะไรเนี่ยเข้าใจ น, นะนเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ออกิเลส ม, มันมันมันมันลูกลางขึ้นมาถูกไหมฮะเจนพันทีนี้พอมาขั้นประหานะนี่นะครับเตั้งแต่ตทางคะใช่ไหมครับตัดทางค่ะเขาต้องหมายความว่าสูงกว่าสังวรอันนี้อประเภทเดียวกันนั่นแหละ คือถ้าสังวรเกิดขึ้นก็จะมีปะหานนะอยู่ในในตัวตามแต่คุณภาพของสังวรถ้าศีละสังวรเกิดขึ้นก็เป็นตะทางค่าประหารนนะสติสังวรก็เป็นตะทางค่าประหาร น, นะพวกตะกูลศีลทั้งหลายแลเนี่ยเป็นตะทางค่าประหารวิปัสสนาก็เป็นตะทางค่าประหารเนี่ยนะส่วนสมถะเป็นวิขมพนะประหารอริยมรรคเป็นสมุทเฉธประหาร อริยผลเป็นปฏิปสัสสติปะหานนิพานเป็นนิสรณะปะหานะเนี่ยนะตามแต่คุณภาพของสังวรถ้าตัวสังวรมีคุณภาพมากปะหานะก็จะมากไปตามนั้นเช่นญาณะสังวรวิปัสสนาทั้งนั้นเลยนะที่จริงญาณะสังวรเนี่ยกว้างนะยานะสังวรนี้เป็นทั้งตทางค้าปหานด้วยเห็นไหมวิปัสสนาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็เป็นแต่ทางค้าปหานก็คือยานะสังวรนั่นเองนั แล้วญาณสังวรเนี่ยนับมาตั้งแต่ปัจจยสันนิสิตสินก็เป็นญาณสังวรเห็นไหมวิปัสสนาก็เป็นญาณสังวร อ, อริยมรต ก, ก็เป็นญาณสังวร อ, อริยผลก็เป็นญาณสังวรพวกนี้ญาณสังวรหมดเลยดังนั้นสังวร น, นั้นมีมีความสําคัญต่อปหานะมากคือที่ท่านกล่าวปหานะขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นสมุทยัยสั์ นะเพื่อให้เห็นสายกิเลสที่ที่ต้องละแต่ถ้ากล่าวสังวร5้าเป็นธรรมะที่สายกุศลเนี่ยนะถ้าเท่ากับกล่าวสัจจะสองเน้น เ, นนเน้นสัจจะสองคือสังวรก็เน้นสายมรรคสัจเนี่ยนะสายกุศลธรรมสายมรรคสั์ที่ต้องพอกพูนขึ้นส่วนปหานะก็เน้นสายบาปสายอากุศลว่าเมื่อเจริญกุศลอย่างนี้จะต้องละอย่างนี้ได้นะถ้าเจริญถูกเนี่ยต้องละแบบนี้ได้ ยกตัวอย่างถ้าเห็นรูปนามขันห้าหรือมีความเข้าใจขันห้าดีต้องละสกายะทิฐิได้ถ้าเห็นปัจจัยของขันห้าก็ละทิฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุที่ไม่สม่ำเสมอคือคือสำคัญเรื่องเหตุผิดไปแต่ถ้าหากว่ามีการใคร่ครวญพิจารณาจริงๆก็สําคัญละความสําคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ถ้าเห็นความเกิดก็ละอุเฉตทิฐิได้ถ้าเห็นความเสื่อมก็ละสัสตะทิฏฐิได้จต้องมีการละตามลําดับนั้นไป ผมอยากทราบความสัมพันธ์ระหว่างเนี่ยครับคือสังวรวินัยกับปัญญาวินัยเนี่ยหมายความว่าถ้าสังวรวินัยเนี่ยเป็นเรื่องของมรรคใช่ไหมครับแล้วก็ปัญญาวินันยเนี่ยกุศ ล, ลธรรมที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคน ะ, ะ, ะที่จริงก็เป็นในขณะที่สังวรนะโดยสัตวจะเป็นทุกสัตว์เพราะเป็นมหากุศณทั่วไปแต่มหากุศลเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญ เป็นธรรมะที่ควรเจริญเมื่อบุคคลเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ที่สุดก็จะถึงอริยมรรคได้ก็อยู่ในตระกูลที่ควรเจริญรรใช่ไหมก็อยู่ในตระกูลของอมักษัตริวนะ์ส่วนสําหรับเรื่องปหานาวิไนน์นี้ก็อยู่ในตระกูลของสมุ ท, ทยัยถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เข้าใจ ว, าว่าสองอย่างนี้เขาจะต้องมีความสัมพันธ์กันเจิพะใมืใม่อผลหนึ่งทําขึ้นด้วยเหตุผลก็ต้องตามมาด้วยการละแบบนี้ใช่ไหมใช่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 ถ้ารั้วไม่ดีเนี่ยข้าวเนี่ยหลุดหมดแน่เียนะลงไปพักเดียวก็แ น, น่ๆเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเอ่ออินทรีสังวรเป็นเหมือนกับรั้วว่าควรจะบริหารรักษากุศลธรรมอย่างไรเห็นแล้วควรใส่ใจอย่างไรอกุศลจิตจึงไม่เกิดเห็นแล้วควรตรึกอย่างไรเพราะฉะนั้น ต ก, ก็คือเห็นแล้วใส่ใจในเรื่องของสมร tha ใส่ใจในเรื่องของวิปัสนาใส่ใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะหรือใส่ใจในอาการ32ไปเลยเนี่ยนะเพื่อที่จะได้บาปอากุศลจะได้ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคนนั้นจะต้องเป็นผู้สดับมาเป็นอย่างดีแล้วจึงจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาในทุกอารมณ์ได้เนี่ยนะโดยที่มีทั้งสังวรวินัยและปะหานวินัยกับทุกๆอารมณ์นั่นเอง แต่ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจระดับนั้นแล้วกุศลธรรมคงเจริญยากเวน้นเคยกว่าเจริญแบบตามยถากรรมตามเวนตามกรรมเท่านั้นเองคือคือไม่ได้เจริญในลักษณะพอที่อะไรควรควรลดควรเพิ่มควรอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะก็คือเจริญตามยถากรรมถ้าเจริญตามยถากรรมอย่างนั้นนี่ก็ก็แสดงว่าอะไรโยนิโสมไม่บริบูรณ์เพราะอะไรไม่บริบูรณ์เพราะศรัทธาเราไม่บริบูรณ์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 เพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ก็จะยังยังอะไรให้บริบูรณ์คบสัตบุรุษบูรุณก็คือยังฟังสัตยธรรมนั่นแหละให้บริบูรณ์การยังฟังสัตยธรรมที่บริบูรณ์ก็จะทําให้มีศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ก็จะทําให้มีโยนิโสมนสิการคือฉลาดคิดแล้เพราะตัวเองมีศรัทธาที่จะเจริญตามนั้นอ่ะเสร็จแล้วกโยนิโสที่บริบูรณ์ก็ทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ก็จะทําให้ อินทรีสังวรบริบูรณ์อินทรียสังวรบริบูรณ์อย่างที่สุจริสามจะบริบูรณ์นไะอันในเรื่องกายสุจิริตว่าจีสุจริ จ, จ, ร, จ, จริงๆเนี่ยพื้นฐานมาจากอินทรีสังวรบริบูรณ์นะอันบางทีนั้นการที่ขึ้นต้นด้วยกายทุจริจเลยเนี่ยโดยที่ไม่คํานึงถึงปัจจัยมาก่อนเนี่ยนะเราก็เข้าใจธรรมะซึ่งไม่รู้ปัจจัยอย่างตลอดสายสุจริสาที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ย่อมยังโพชฌงเจ็ให้บริบูรณ์ พจชงเจ็ดยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์เนี่ยนะวิชาวิมุตก็ยังวิมุติยานนทศนะให้บริบูรณ์หรือสนถึงที่สุดก็คืออนุปาฐาปรินิพานจึงจะมีการดับรอบได้ถ้าหากว่าสายกุศลธรรมเหล่านั้นไม่เป็นไปบริบูรณ์ตามนั้นเนี่ย ก, ก็ลำบากแต่ว่ากระบวนการเหล่านั้นสาคัญที่สุดนะสี่คำหนึ่งฟังนะสุตตวคือผู้ฟังสองพบหรือเห็นนะ่สมฉลาดสมีวินยัย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 นะเป็นเป็นชีวิตที่ปล่อยเต็มที่แล้วหมดหมดทุกอย่างแล้วนะท่นที่จริง เ, เรื่องนี้ตามพุทธเจ้าท่านบอกว่าทําตามลําดับขั้นตอนอย่างนี้หรือเปล่ามีไหมฮะใช่ครับเนี่ยทําตามลําดับปฏิบัติตามลําดับท่านพูดอย่างนี้เลยนะที่ ท, าทา่านกล่าวมาอย่างนี้ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับแต่แปลกที่ว่าในประเทศไทยนะ การพูดถึงสุจริตสามนี่ไม่ค่อยมีใครพูดหลายสำนักผมตั้งแต่ผ่านมาหลายสำนักผมก็ยังไม่ค่อยมีสำนักไหนเน้นเรื่องสุจริตสามเข้าไปโดนมากจะโดดเข้าไปขึ้นไปถึงสติปัฏฐานจะเอามโนสุจริตไงจะเอาเฉพาะสุจริตมี3มไหมเอาสุจริตข้อสุดท้ายอะสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายใช่ไหมไปเน้นตัวข้อข้อที่ข้อ10เลยอะสุจริตมีหนึ่งกายะสุจริต3ามมจีสุจริต สีมโนสุจริต3 ม, มโนสุจริตสามเน้นข้อ10เน้นข้อสุดท้ายข้อ3คือตัวสัมมาทิฏฐิเน้นปัญญาแล้วเน้นปัญญาเนี่ยนะไม่ได้ไลว่ว่ากรรมสกาตาปัญญาคืออะไรก็ไม่ไล่กรรมสกตาก็ผิดขั้นอองนะผิดระบบอีกเนี่ยนะไปขึ้นขึ้นไปหาอะไรนะวิปัสนาสัมมาทิฏฐิแล้ววิปัสนาสัมมาทิฏฐิไม่ได้มีพื้นฐานของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ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 จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแล้วท่านก็อธิบายว่าธรรมวินัยทั้งหมดคือพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมทั้งหมดเนี่ยนะสรุปก็คือ 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์พระธรรม 84% ดหมพันธรรมขันธ์เนี่ยจะเป็นศาสดาซึ่งพระองค์ประสงค์ว่านะอัตถกาถาท่านอธิบายว่าพระองค์นี่นิพพานแต่เพียงผู้เดียวส่วนพระธรรมคําสอนเนี่ยแปดหมพันระธรรมขันธ์ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้า 84% ดหมพองค์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 นะมองระยะยาวเนี่ยนะมองอายุของศาสนาเป็นต้นเนี่ยก็เสียหายมากแล้วมองชีวิตของตัวเองในสังสารวัตเนี่ยยิ่งน่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยนะเมือ่อเมื่อเราเข้าไปกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งกับคำสอนเนี่ยนะโดยที่ด้วยอานาจอะไรก็ช่างเถอะโดยที่เข้าใจผิดเนี่ยเราก็มีโทษกับคำสอ น, นยอย่างมากมายละก็คือเป็นคนที่บางแห่งก็บอกว่าเกลียธุรีลงในศาสนาเนี่ยนะ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 พระอินนะลงมาเนี่ยให้เขาพูดคํานั้นอะ่ะและจะยกสมบัติตั้งเยอะแยะให้อะ่ะพูดไม่ได้คํานั้นเนี่ยพูดไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เขาเปล่าไม่ได้อ่าแล้วก็บอกว่านี่คือท่านมั่นคงในพุทธคุณอย่างนั้นธรรมคุณสังกคุณแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ล่วงภัยเวรห้าประการศีลห้าต้องดีจริงๆนะล่วงภัยเวรห้าประการและมีความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเข้าใจในเรื่อง ปัจจัยเป็นอย่างดีคําว่าเข้าใจปัจจัยนี้เข้าใจขนาดไหนก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้จึงจะเป็นพระโสดาบันได้แล้วท่านเหล่านั้นจึงจะปิดอบายได้ทําไมอย่างนั้นก็ก็ลําบากนั้นของเรานะถ้าศึกษาคําสอนไม่สามารถที่จะศึกษาให้ให้สมบูรณ์เราก็ลําบากเหมือนกันนะชวนาเรานี่แหละจะเล่นงานเรามีใครมาทําอะไรเราสักคนหรอกในโลกนี้มีใครทําอะไรเราได้นะ นอกจากความคิดของเราอถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําเหตุไม่ดีไว้นะใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ไปเรียนเรื่องกรรมนะอะผลของการรักษาศีลเน่ยผลของการรักษาศีลในอัตถกาถาอิติวุตกะกับในอัตถกาถาคุตกะปาฐท่านกล่าวไว้ะนะท่านให้เหตุผลว่าถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีจะมีผลยังไงบ้างรักษาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าดีเนี่ยมีผลยังไงบ้างันสรุปแล้วไ อ, อ้ความเสียหายทั้ ง, งหลายแหละที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผลของ ทุศินของเราทั้งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นความป่วยไข้สูญเสียของรักเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิบัติของเราที่เราทําไมาเองทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครมาทําให้แต่ว่าใกล้ๆเหมือนคนอื่นทําให้นะแต่แต่ถ้ามองเหตุไกลแล้วนะก็อย่างที่ที่พระโมคขาลานะท่านถูกทุบใช่ไหมจนกระดูกเนี่ยละเอียดเป็นเป็นเหมือนกับข้าสารหักอะไรงี้ยนะก็บอกว่าจริงอยู่พระโมคขาลานะเนี่ยโดยชาตินี้ไม่สมควรรอกที่จะถูกทุบแบบนั้น แต่ก็สมควรแก่เหตุแล้วที่ไปทําร้ายพ่อแม่เนี่ยนะที่ไปทุบตีพ่อแม่เนี่ยสมควรแก่เหตละละุแล้วล่ะอย่างสุ ป, ปาุู้ทไม่น่าเป็นคนโรคเรือนอะ่ะก็สมควรแก่เหตุแล้วที่ที่ไปตําหนิพระปัเจกกับพุทธเจ้าอ่ะถมน้ําลายแล้วก็บอกคนโรคเรือนอด้วยจิตที่ที่เป็นอากุศลเนี่ยนะเั้นหลายคนเนี่ยนะอย่างอย่างสมควรแก่กรรมหมดพระเจ้าพิมพิสารทําไมต้องถูกกรีดเท้าอะ่ะ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 เป็นบุคคลที่น่าเจริญการุณาให้มากๆเล ย, ยงั้นนะเขามาก็เจริญการุณาให้ตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยเาลยเรียบรียบศึกษาหน่อย <c oughs> อ่ะทีนี้กล่าวถึงอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยต่อหน่อยนะอาสวะที่ละด้วยการใช้สอยเนี่ยเป็นสังวรไหนในสังวรห้าเป็นยาณะสังวร น, นะ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 ทิศสูพจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินสีเนี่ยเป็นไปเพื่อบาบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะ ก, กำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจกไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดารงอยู่แห่งชีวิต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 เพราะฉะนั้นสถานที่ที่สังัดเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมเป็นอย่างมากเลย น, นึกถึงคนที่อย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจ ะ, ะจะถวายวัดเนี่ยนะบอกว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าพักอยู่นอกเมืองไกลามากอ่ะบอกอจะหาที่ตรงไหนนะหลีกเร้นด้วยเนี่ยนะสังัดแต่ก็สะดวกในการไปการมาก็เลยถวายเออ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 เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้พิสูจทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ต้องละได้ด้วยการใช้สอยเนี่ยนะซึ่งกิจของการใช้สอยปัจจัย4ี่เหล่านี้เป็นกิจของของปัญญาเนี่ยนะซึ่งเราควรที่จะทําความเข้าใจในในในศัพท์ว่าปัญญาอีกหน่อยนะอาจจะยกข้อความในอัตถสารลนีกล่าวถึงถึงปัญญา